เดินทางในป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของอาถรรพ์มักจะเจอเรื่องราวแปลกๆอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งทุกคนเมื่อสิ่งเหล่านั้นเข้ามาถึงตัวเราก็จะรู้ตัวทันทีแต่ว่าก็มีอาถรรพ์บางอย่างเหมือนกันที่เกิดขึ้นกับตัวเราโดยที่ไม่ทันรู้ตัวกว่าจะรู้ก็สายเกินไปซะแล้วล่ะค่ะนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องยากที่จะหลุดพ้นจากบ่วงอาถรรพ์อีกด้วย หนึ่งสิ่งอาถรรพ์ที่อยากจะนำมาพูดถึงวันนี้นั่นก็คือเครือเขาหลงค่ะเป็นเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมายาวนานในหมู่นักล่องไพรผ่านผู้ผ่านการเดินป่ามาอย่างช้านานส่วนใหญ่นั้นก็เคยเจอมากับเครืออาถรรพ์ชนิดนี้ด้วยกันทั้งนั้นนะคะเครือเขาหลงนั้นค่ะเป็นพันไม้อาถรรพ์ที่มักจะพบอยู่ในป่าลึก เชื่อกันว่าเป็นพันไม้ชนิดเดียวที่ได้รับการปกปักรักษาจากเทพพ ย, ยดาไม้ชนิดนี้จึงยังมีความศักดิ์สิทธิ์กว่าพันไม้ชนิดอื่นๆนะคะหากว่าใครเผลอไปข้ามเท่านั้นเองค่ะเป็นอันว่าต้องหลงวนเวียนอยู่ในป่าหาทางออกไม่ได้จนกว่าจะทําการขอขมาลาโทษหรือไม่ก็ต้องรอให้ผู้ที่เข้ามาช่วยนะคะหรือแม้กระทั่งนกค่ะหากบินหลงเข้าไปแล้วก็ข้ามต้นเครือเขาหลงก็จะบินวนอยู่อย่างนั้นจนตาย นั่นยังไม่รวมถึงบรรดาสัตว์ป่าอีกจำนวนมากที่ต้องสังเว์ชีวิตให้กับเครืออาถรรพ์นี้แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ผู้ที่มีคาถาอาคมแก่กล้าหวาดกลัวค่ะต่างพากันไปตัดเอามาทำเป็นเครื่องรางของขลังด้วยเครือเขาหลงนั้นนะคะเป็นไม้เลื้อยล้มลุกค่ะสามารถอยู่ได้นานเป็น10ปีลักษณะสังเกตได้ง่ายก็คือจะมีใบเดี่ยวรูปวงรีเรียงสลับกันไปมา ปลายใบยจะมีรูปร่างแหลมนะคะผิวใบด้านบนจะมีขนสั้นๆขึ้นห่างๆผิวใบด้านล่างก็จะมีสีน้ำเงินสีดอกออกเป็นสีชมพูแกมม่วงมีกลีบรองดอก5้ากลีบค่ะแล้วก็รวมตัวกันเป็นรูประครังนะคะ ส่วนผลของทรงกลมนะคะผลของเครือเขาหลงเนี่ยจะเป็นทรงกลมขนาดประมาณ1เซนติเมตรสีแดงเข้มจนถึงสีดําสําหรับเครือเขาหลงแล้วจะมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียค่ะโดยตัวผู้จะมีสีดําส่วนตัวเมียเป็นสีน้ําตาลนี่ถือว่าลักษณะคร่าวๆของเครือเขาหลงหากว่าเจอในป่าก็ควรหลีกหนีให้ไกลเป็นดีที่สุดนะคะนอกจากนี้ยังมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นเครือไม้นั้น จม้วนตัวตามธรรมชาติเป็นรูปบ่วงเรียกกันในหมู่ผู้ที่มีสายเวทว่าบ่วงนาคบาทนะคะส่วนนี้นี่เองค่ะที่บรรดาผู้มีอาคมต้องการนํามาทําเป็นเครื่องรางหรือไม่ก็นําไปประกอบพิธีทางไสยศาสตร์แต่ก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆในป่าทั่วไปเพราะว่าเครือเขาหลงเชื่อกันว่าต้นนี้เนี่ยจะมีมากในป่าดงดิบนะคะแล้วก็บริเวณทางเข้าของเมืองลับแลเท่านั้น ในอดีตนั้นนะคะผู้ที่มีอาคมแก่กล้ามักจะใช้เครือขาวหลงชนิดนี้เป็นมวลสารในการสร้างวัตถุศักดิ์สิทธิ์ให้มีคุณค่าทางด้านเมตตามหานิยมเสน่หาทำให้ผู้ที่ต้องมนจะหลงไหลในตัวผู้ครอบครองค่ะนอกจากนั้นยังถูกนำไปผูกติดกับเสาประตูข้อบวัวหรือข้อควายเพื่อให้ขโมยนั้นเกิดหลงทางหาทางออกไม่ได้นอกจากนั้นนะคะบรรดาร้านค้าต่าง ก็นิยมนําวัตถุมงคลที่มีส่วนผสมของเครือขายหลงมาบูชานะคะเพราะเชื่อค่ะว่าทําให้ลูกค้าหลงไหลแล้วก็กลับมาซื้ออยู่เป็นประจําค่ะโดยส่วนมากแล้วมักจะเลือกเอาเครือข่ายหลงในวันอังคารเพราะเชื่อนะคะว่าฤทธิ์ของมันจะแรงกว่าวันอื่นๆและก่อนใช้ว่านนะคะก็จะมีการกล่าวคาถาเพิ่มเติมให้พลังเครือขายหลงได้มีอิทธิฤทธิ์เพิ่มมากขึ้นนะคะ จากคำบอกเล่าของหลวงตาพ่วงนรินโทได้พูดถึงประสบการณ์ที่ต้องตกอยู่ในอาถรรพ์ของเครือเขาหลงครั้งหนึ่งนะคะว่าในครั้งนั้นท่านได้เดินทุดงไปยังป่าดงดิบแห่งหนึ่งเพื่อจเจริญภาวนาในตอนแรกนั้นท่านก็เกิดความรู้สึกแปลกๆกับป่าแห่งนี้แต่ท่านเองก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะก็ยังคงมุ่งหน้าทําหน้าที่ของสาวกแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปแต่เวลาผ่านไปสองคืน2วันแล้วท่านเองกลับพบว่าตัวเองเนี่ย คือเดินวนเวียนอยู่บริเวณที่เดิม จนกระทั่งล่วงเลยมาถึงเที่ยงของวันที่สท่านรู้สึกเหนื่อยล้าก็เลยนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งขณะที่กําลังนั่งบําเพ็ญภาวนาอยู่นั้นก็ปรากฏว่ามีเสียงเรียกของผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียกค่ะพอลืมตาขึ้นมานะคะก็เห็นว่ามีผู้หญิงสาวสวยชุดไทยซึ่งก็แปลกใจนี่ค่ะว่าผู้หญิงสาวสวยที่อยู่ในชุดไทยคนนี้เนี่ยมาทําอะไรในป่าท่านก็เลยถามออกไปว่าเป็นผู้หญิงมาอยู่ในป่าคนเดียวได้อย่างไรไม่กลัวผีสางนางไม้หรอ ผู้หญิงก็เลยตอบนะฮะว่า ไม่กลัวหรอกเพราะว่าเป็นเทพรักษาป่าพื้นนี้ใครจะเข้าจะออกจากป่าทําดีหรือทําชั่วเช่นรู้หมดนอกจากนั้นนางยังได้เล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาบุกรุกป่าเป็นจํานวนมากบางครั้งนางก็แกล้งทําให้ต้นไม้ล้มใส่คนจนตายก็มีต่อมานางก็ถามว่าหลวงปู่เข้ามาทํำไมที่นี่หลวงปู่ก็บอกว่าเข้ามาเพื่อที่จะสแสวงธรรมหลวงปู่ตอบสั้นๆนะคะรู้ทั้งรู้ค่ะว่าผู้หญิงคนดังกล่าวรู้ความเป็นไปของเรื่องราวทั้งหมดอยู่แล้ว ธรรมะนั้นอยู่ในกายของหลวงปู่ท่านไม่จําเป็นต้องไปสแสวงหาหรอกเมื่อเรื่องมาถึงขังน้นนี้หลวงปู่ก็รู้นะฮะว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งใจจะช่วยให้ท่านหลุดพ้นจากบ่วงอาถรรพ์ในครั้งนี้อย่างแน่นอนท่านก็เลยเอ่ยถามว่าท่านเทพทําไมหลวงปู่ออกจากป่าไม่ได้สักทีหรือป่าแห่งนี้มีอาถรรพ์ซ่อนอยู่ ผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกหลวงปู่นะฮะบอกว่าหลวงปู่ออกจากป่านี้ไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าท่านเนี่ยนั่งทับเครือเขาหลงอยู่แม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผู้มีบารมีสูงผู้มีคาถาอาคมหรือพรานป่าผู้ํำนานหากเดินไปเหยียบหรือข้ามเครือนี้ก็ยังหลงอยู่ในป่าเลยเครือเขาหลงมันเป็นอย่างไรหลวงปู่ก็ถามด้วยความสงสัยก็ที่นั่งอยู่ด้านไงหลวงปู่ก็ก้มลงไปดูนะคะ ปรากฏว่าเป็นเครือเถาวัลย์ขนาดเล็กค่ะที่พันตามต้นไม้ก่อนที่ท่านจะออกจากป่าด้วยความช่วยเหลือของเทพประจำได้ขออนุญาตนาเมล็ดพันเครือเข่าลงออกมาด้วย9ก้าเมล็ดโดยมีลักษณะเป็นสีดำค่ะขนาดเท่าปลายนิ้วมือหลังจากนั้นท่านก็นามาปลูกไว้ที่วัดป่าภูกระแตชนรับประทาน บ้านเมืองกลางตําบลโนนเกอะอําเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะคะได้นํามาทําเป็นเครื่องรางของขลังและก็มอบให้กับลูกศิษย์ที่ทํางานรับใช้ประเทศชาติซึ่งที่ผ่านมาก็ช่วยให้ลูกศิษย์หลายคนนะคะที่ถูกจนใต้ลอบทําร้ายรอดชีวิตมาได้โดยก่อนที่จะมอบของขลังนี้ให้แก่ใครผู้นั้นต้องถือศีล3ข้อให้ได้ก็คือ 1. ไม่ลักทรัพย์2ไม่ดื่มเหล้าและ3ไม่พูดปดให้ได้ซะก่อนเครื่องรางถึงจะเกิดผลนะคะ หลวงปู่สวัสดิริมังคโลค่ะหรือว่าหลวงปู่ฤาษีนะคะ แห่งวัดเกษตรสุขจังหวัดพะยาท่านก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ประสบพบเจอกับเรื่องราวของอำนาจเรืออาถรรพ์ชนิดนี้มาก่อนโดยท่านได้เล่าค่ะว่าครั้งหนึ่งในตอนที่ท่านกําลังครองตนเป็นฤาษีอยู่นั้นก็ได้เข้าไปบําเพ็ญภาวนาในป่าลึกแถบจังหวัดกาญจนบุรีขณะที่ท่านนั่งสมาธิอยู่นั่นเองจิตของท่านก็เห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งประมาณ5้าคนเดินวนเวียนมานะคะท่าทางมึนงงเหนื่อยลา้าใกล้จะหมดแรง หลวงปู่ก็เลยเข้าไปพบปรากฏว่าเพียงพบหน้าหลวงปู่ค่ะชาวบ้านต่างก็พากันพนมมือกราบขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ชายที่ชื่อว่านายแหวงได้เล่าว่าตัวเองแล้วก็พวกเนี่ยได้เข้ามาหาของป่าแต่ก็แปลกใจมากคือเดินอยู่ตั้งแต่เช้าจนค่ําจนกระทั่งเย็นแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมค่ะเมื่อมาเจอหลวงปู่ก็อยากจะขอให้หลวงปู่เนี่ยช่วยเหลือหาทางกลับบ้านให้ได้อย่างปลอดภยัย หลังจากที่พอทราบเรื่องราวหลวงปู่ก็นั่งสมาธิกำหนดจิต จ, จนรู้นะคะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเผลอไปข้ามเครือข่าวหลง <c oughs> ก็เลยทำให้เกิดอาถรรพ์เรื่องดังกล่าวขึ้นซึ่งหากว่าสังเกตบริเวณดังกล่าวจะเห็นว่ามีซากสัตว์จำนวนมากที่ตายเพราะเครืออาถรรพ์นี้ เมื่ออู่เช่นนี้นะคะหลวงปู่ก็ได้กําหนดจิตอีกครั้งเพื่อขอเขมากับการกระทำํำโดยไม่ได้ตั้งใจของชาวบ้านในครั้งนั้นไม่นานค่ะชาวบ้านทั้งหมดก็หลุดออกจากอาการมึนงงและสามารถออกจากป่าอาถรรพ์นั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อชาวบ้านออกจากป่าไปแล้วนะคะหลวงปู่ก็ทําพิธีพลีขอลําต้นของเครือเขาหลงส่วนที่งอโคง้งขดตัวเหมือนงูนะคะซึ่งผู้มีอาคมเรียกส่วนนี้บอกว่าบ่วงนาคบาท ต่อมาท่านก็ได้มีโอกาสบวชเข้ารับใช้พระพุทธศาสนาท่านก็ได้นำเครือข่าหลงส่วนนั้นไปปลุกเสกอีกทีหนึ่งค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้เครือขาหลงหาได้ยากแล้วนะคะในเมืองไทยเพราะว่าพรานผู้มีอาคมแก่กล้านี่ก็พากันออกล่ามาเป็นเครื่องรางของขลงังจนเกือบหมดป่าแล้วนะคะแต่ก็มีข่าวลือที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ เครือขาหลงนั้นพบมากในป่าแถบประเทศลาวโดยนายพรานชาวเขาต่างก็พากันเก็บออกจากป่าลึกเพื่อมาขายให้กับบรรดาผู้ฝักฝ่ายในพลังว่านอาถรร้ละค่ะ ในเมืองไทยนั้นอาจจะมีเครือข่าวหลงให้เห็นบ้างนะคะโดยจะเป็นเครือข่าวหลงที่ปลูกเลี้ยงขึ้นมาเองซะส่วนใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้รับความนิยมจากบรรดาอาจารย์สายเวทเท่าไหร่นักเพราะว่าเครือข่าวหลงเหล่านั้นจะมีความอาถรรพ์น้อยกว่าเครือข่าวหลงที่ได้มาจากป่าลึกเป็นอย่างมากก็เลยไม่แปลกใจค่ะที่ทุกวันนี้ยังมีผู้คนที่ดันด้ น, ดนเดินทางไกลเพื่อค้นหาเครือมหาเสน่ห์ชนิดนี้อยู่ไม่ขาดเลยล่ะค่ะ